เพราะในในสมัยพระเจ้าปายาสิราชาปายาสิเนี่ยเขาก็สมัยนั้นเขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องวิญญาณอยู่แล้วเขาใช้วิธีเนี่ยดูที่วิญญาณมันจะออกจากตรงไห น, นเขาค่อยเชื่อดอย่างเงี้ยเฉือนสั่งให้คนเนี่ยเขาค่อยชำละไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยดูวิญญาณมันจะออกจากตรงไหนได้ก็มีผู้ที่ใช้วิธีนี้อยู่ เนื่องจากแกพิสูจน์เลยหลายอย่างในแบบนั้นมากเข้าแกเลยไม่เชื่อว่านรกสวรรค์มันจะมีก็ไม่เห็นวิญญาณมันจะออกมาเลยเนี่ยแล้วก็บอกว่าไปสั่งไอ้พวกนักโทษด้วยนะบอกว่าแกไม่ต้องห่วงนะลูกเมียทางบ้านฉันจะดูแลให้แต่ขอหนึ่งถ้าแกไปนรกกลับมาบอกฉันทีเนี่ยใครไปนรกเลยจะกลับมาบอกกันได้นะอีกเรื่องหนึ่งก็บอกว่าไปไปหาผู้ที่ทาบุญไม่เยอะ ล, ลูกเมียทางบ้านไม่ต้องห่วงนะไปสวรรค์แนี่กลับมาบอกทีเหมือนกันนะเขาใช้วิธีพิสูจน์นั้นพวกที่ที่ลงโทษลักษณะนี้นะส่วนหนึ่งก็ไม่เชื่อบุญบาปอะไรน่เป็นพระราชาที่ไม่เชื่อบุญเชื่อบาปอะไรมากก็สามารถที่จะทำแบบนี้ได้หรือว่าแทงเหลาเหล็กที่ช่องหูจนทะลุถึงกันแล้วก็เสียบติดดินแล้วก็จับมุนไปโดยรอบบ้างนะก็เอาหูอนนะ้ปะตัวลงนอนไหม นอนตะแคงเหล็กเนี่ยทิ่มลงกระดินแล้วก็เอ า, าลากขาหมุนไปโดยรอบอะ่ะทุบให้กระดูกแหลกละเอียดแล้วก็ถลกหนังออกเนี่ยเหลือแต่กองดังตังใบไม้บ้างโอ้หทุบเอาหนังออกกนนะเอาน้ํามันเดือดร่าดนะเดือดพล่านเนี่ยราดรดตัวบ้างให้สุนัข ก, กัดกินทั้งเป็นจนเหลือแต่กระดูกบ้างไว้ก่อนเขาก็เลี้ยงสุนัขเอาไว้เป็นลงโทษนักโทษเหมือนกัน เขาจะให้มันกินแต่เนื้อเนี่ยนะฝึกให้มันกินแต่เนื้อกินแตคนเป็นเนเนี่ยก็นานๆเข้าหมาพวกนี้มันจะกินคนได้ดันั้นปลาจับคนยัดเข้าไปในกรงเนี่ยหมายถึงว่าเสร็จแป๊แบเดียวเนี่ยหมดเลยแต่กระดูกนะหรือว่าเสียบหลาแล้วก็ยกขึ้นนอนหงายทั้งเป็นบ้างนะถ้าอ่านในเปตตาวัตถุเป็นต้นก็คือเสียบก้นเนี่ยนะจับเสียบก้นเหมือนกับเราเสียบเล่นเสียบแมงปอกันเล่นอ่ะนะ นั่นแหละไม้แบบนั้นเสียบเสาไม้เสดาก็ปักอยู่นั่นแหละทีเปรตมันต้องมาคอยบอกว่าอย่าเพิ่งตายนะอยู่ต่อไปนั่นแหละตอนอย่างนี้มันก็ทุกน้อยกว่านนในรกนะนะอยู่ต่อไปเถอะเหมือนกันแต่ว่าลักษณะนักโทษลักษณะนี้นะไอความเจ็บปวดเนี่ยไม่ใช่คนสมัยนี้ไม่มีนะแบบเนี้ยแต่ว่าไอภาพลักษณะนี้ไม่มีแต่ความเจ็บปวดนี่มี พวกมะรงลำไส้ทั้งหลายเนี่ยนะลำไส้ส่วนล่างๆเนี่ยนะจะเป็นลักษณะนี้ปวดเหมือนกันหมดเลยนะนะถูกอุดถูกอะไรแทบลักษณะนี้เดียวกันแต่ว่าไม่ได้มีภาพอ น, นะอันผลของกรรมลักษณะนี้ก็ยังพอมีให้เห็นอยู่หรือว่าเอาดาบตัดศีรษะบ้างอ น, นะก็มีตำรวจจราจร อ, อยู่คนหะนึงไปเดินตรวจรถสิบร้อยตรวจไปตรวจมาสิบร้อมันเหยียบทับของเอา ห, หัวเฉพาะหัวอย่างเดียวนะแตกเลย น่าจเรียกว่าลักษณะแบบโบราณหน่อยนะมันไม่มีไปประสบอุบัติเหตุแบบยุคนี้นะแต่ยุคนี้ลักษณะหัวขาดคอ ข, ขา ด, ขาขาดก็ไม่ได้ต่างอะไรจากโบราณเท่าไหร่อย่างน้องสาวเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยนั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปกับสามีเขานงะไปทีนี้ไอ้ความที่เขาเธอเนี่ยใส่เสื้อแขนยาวแขนยาวเป็นเสื้อกันหนาวเนี่ยนะวิ่งข้างข้างรถสี่ล้อะรถพ่วงนะทีนี้รถนั้นก็วิ่งเร็วทางนี้ก็วิ่งเร็วอะวิ่งไปใกล้ใกลเนี่ยแต่รถมันสูบเอา ลมนั้นมันดูดเอาเอาเสื้ อ, อไปเนี่ยมันก็ไปหัวไปด้วยเลยเหยียบหัวเนี่ยขาดเลเหยียบหัวเลือดคอนเนี่ยกรุดนั่นผู้ที่ได้รับทุกโทษนะนี่หรือได้รับการลงโทษลักษณะนี้ก็ต้องเสวยทุกโทมนัสแม้เพราะเหตุแห่งกรรมกรถามว่าภัยทุกโทมนัสของคนนั้นเนเกิดจากอะไรเนั่นภัยเกิดเกิดพร้อมบังเกิดบังเกิดเฉพาะ ปรากฏแต่อาจยาของตนก็คือจากกลับของตัวนั่นแหละผลที่เห็นเห็นเนี่ยก็สาวได้เลยว่ามาจากกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตเนี่ยนี่เป็นทิฏฐธรรมที่มีผลที่เห็นเห็นกันอยู่อันนี้พระราชาเนี่ยเขาเป็นใหญ่ในอาจยาสี่อย่างเนี่ยนะหนึ่งด่าเนี่ยะด่าอย่างเสียหายเนี่ยนะสองสั่งปรับสินไหม สามจองจำนี่แหะคุ้มขังะนะสี่ก็ลงโทษโดยประการต่างๆแต่ว่าคนนั้นเมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกเพราะกรรมของตนเห็นทีนี้ก็เล่าถึงบรรยากาศในนรกนี่ว่าพวกนายนิรยาบาลย่อมให้ทากรรมกรคือการลงโทษอันมีเครื่องจองจำห้ากะสัตร์นั้นคือให้สัตว์นั้นนอนหงายแล้วก็เอาลาว แดงๆเนี่ยเหล็กหลาเหล็กแดงเนี่ยตรึงไว้ที่มือขวาตรึงไว้ที่มือซ้ายตรึงไว้ที่เท้าขวาตรึงไว้ที่เท้าซ้ายแล้วก็ตอกอีกอันหนึ่งท่ามกลางอกมาให้นอนงายฮะเอาหลาเหล็ลกแดงเนี่ยทิ่มมือทิ่มเท้าข้างละสองเออทั้งสองข้างอ่ะก็สี่แล้วทิ่มอกอีกที่หนึ่งสั in สตว์ตนั้นก็ได้เสวยทุกขเวทนาแสบร้อนอนั่นนะร้ายแรงในนรกนั้นแต่ยังไม่ตายตลอดเวลาที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้น ภัยทุกและโทมัตของสัต์นั้นเกิดแต่จากอะไรภายนั้นเกิดบังเกิดเกิดเฉพาะปรากฏจากอาทยากรรมของตนเพราะความชั่วของตัวเองที่ไปทำนั่นแหละก็ให้ผลในนรกเหล่านั้นก็มันก็น่าจะตกนรกอนะเพราะไปทำความชั่วมามากเนะี่ยแล้วเวลาถูกลงโทษจะนึกถึงบุญกุศลอะไรได้บ้างเวลาก่อนจะตายเนยะนึกไม่ได้อยู่แล้วายากเนี่ยนมีอยู่เจ้านึงอะ ที่พระโมคคัลลานะไปสงเคราะห์เวลาใกล้จะถูกประหารชีวิตเนี่ยที่ตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตเนี่ยนะแต่โดยมากแล้วสํานวนไม่ค่อยได้เห็นพระเห็นเจ้าแล้วเนี่ยทีนี้พวกนายนิรยาบาลให้สัตว์นั้นเนี่ยนอนลงแล้วก็เอาพึงถากสัตว์นั้นต้องโศวยทุกขเวทนาเจ็บแสบร้อนร้ายแรงในนรกนั้นแต่ก็ยังไม่ตายตลอดเวลาที่บาปรกรรมนั้นยังไม่สิน้นก็ถูกพึงถากนะ ก็เหมือนก็เห็นไปในตลาดเขาแล่เนื้อให้ดูลักษณะนั้นพวกนายริยาบาลจับสัตว์นั้นเอาเท้าชี้ขึ้นข้างบนเอาหัวห้อยลงข้างล่างแล้วก็เอามีดถากมีดถากไปเรื่อยอย่างั้นหรือว่าเทียมสัตว์นั้นเข้าที่รถแล้วก็ให้วิ่งบนข้างวิ่งไปข้างหน้าบ้างให้วิ่งกลับมาข้างหลังบ้างบนแผ่นดินที่ไฟติดทั่วมีไฟลุกโลน่น่ะ พวกนายนริยาบาลไล่ต้อนสัตว์นั้นให้ขึ้นบนภูเขาฐานเพลิงที่มีไฟใหญ่เนะี่ยติดทั่วมีไฟลูกโพลงุงแล้วก็ไล่ต้อนให้ลงจากภูเขานั้นบ้างนะไล่ขึ้นไล่ลงภูเขาฐานเพลิงเนะี่ยพวกนายนริยาบาลจับสัตว์นั้นเอาเท้าชี้ขึ้นข้างบนเอาหัวห้อยลงไปข้างล่างแล้วก็เหวี่ยงลงไปในหม้อเหล็กอันร้อนที่มีไฟติดทั่วมีไฟลูกพลงสัตว์นั้นเดือดพล่านอยู่ในหม้อเหล็ก เหมือนฟองน้ำที่เดือดเมื่อเดือดพล่านในหม้อเหล็กเหมือนฟองน้ำที่เดือดบางครั้งก็เดือดพล่านไปข้างบนบางครั้งก็เดือดพล่านลงไปข้างล่างบางครั้งก็เดือดพล่านไปทางขวางนถามว่าไอ้เดือดพล่านเนี่ยนะอย่างเดือดพล่านจากข้างบนลงลงข้างล่างจากข้างล่างขึ้นข้างบนเนี่ยใช้เวลาสามหมื่นปีเนี่ยนะจากข้างบนเนี่ยค่อยๆจมลงไปจนถึงก้นกระทะเนี่ยนะก้นหม้อเนี่ย สามหมื 30, ่นปีแล้วค่อยๆขึ้นอีกสามหมื่นปะีเนี่ยนะแล้วก็ไม่รู้กี่รอบอะ่ะก็ก็คุยเอากับกรรมเอากันแล้วกันนะจริงไม่ใช่ว่ายมพบาลเขาเขามีอำนาจว่าจะให้อยู่นานหรืออยู่ไม่นานน่ยนะหน้าที่เขาก็ลงโทษไปตามเรื่องตามราวไปอยู่ช้าอยู่นานเป็นต้นก็อยู่ที่ที่กรรมนั่นแหละเพราะฉะนั้นสัตว์นั้นก็สเสวยทุกขเวทนาแสบร้อนร้ายแรงอยู่ในหม้อเหล็กนั้น แต่ยังไม่ตายตลอดเวลาที่กรรมนั้นยังไม่สิ้นภัยทุกข์และโทมนัสของสัตว์นั้นเกิดจากอะไรภายนั้นเกิดเกิดพร้อมบังเกิดบังเกิดเฉพาะปรากฏจากอาทยาคือความชั่วของตนเนี่ยนะความชั่วเหล่านี้ก็ไม่มีใครทําให้หรอกทำเอาเองบางคนก็บางคนนี่มาอ่านเจอลักษณะนี้โดยมากก็ไม่ค่อยยอมรับเนี่ยนะปฏิเสธนะไม่เชื่อนะ ไม่เชื่อก็ไม่เป็นร้ายเนี่นก็ขออย่าตายกันแล้วกันขอให้อยู่อย่างนี้นานๆเนถีถ้าทําชั่วไว้มากนะแต่ถ้าถ้าทําไว้ก็คุยเอากันกับนายนเรยาบาลเอากันแล้วกันพวกนายนระยาบาลโยนสัตว์นั้นลงไปในมหานรกไอ้ที่กล่าวไปแล้วนะเป็นนรกย่อมๆนะไม่ได้ใหญ่นักหรอกแต่นี้ก็โยนเข้าไปในมหานรกมหานรกนี้ก็เป็นชื่อของอเวจีนรกนี่นะอเวจีมหานรก คำว่าอเวจี v G เนี่ยแปลว่าไม่มีคลื่นในระหว่างเปลวไฟเป็นเปลวไฟที่เรียกว่าไม่มีมันแบบว่ามันติดติดแบบๆไม่มีเรียกว่าความร้อนนี่เสมอตัวเนี่ยคงตัวตลอดเวลาในอย่างหนึ่งหรืออีกอย่างหนึ่งเนี่ยช่องว่างอ่ะของสัตว์ทั้งหลายไม่มีมันแน่นกันนะบางแห่งบอกว่าเหมือนธนานดีบกที่มันอัดกันอย่างนั้นอน่ะยัไม่มีช่องว่างไม่มีอะไรอยู่เลยบางแห่งบอกว่า ความทุกข์ของสัตว์เนี่ยไม่มีช่องว่างแม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะกระวามมนสิการตรงไหนไม่เจ็บปวดบอกว่าความทุกข์ของสัตว์เนี่ยนะจริงๆแล้วทวารตาก็อุเบกขาใช่ไหมสำปฏิชนะสันติรณะเนี่ยนะก็เป็นอุเบกขาตั้งแต่ปัญจทวาราวชนะปัญจทวาราวชนะ น, นะทวีปวิญญาณทางตาหูจมกูกเล่นเนี่ยเป็นอุเบกขาสัมปฏิชนะก็อุเบกขาใช่ไหม สันติราณะก็อุเบกขาแต่ว่าไอ้อุเบกขาอันนั้นเนี่ยอโภโหหาริกเนี่ยนะเพราะความเจ็บปวดที่เหลือเนี่ยมันร้อนแรงเกินกว่าที่จะมานสิการไอ้ไอุเบกขาอันนั้นอะเหมือนอะไรเหมือนกับว่าเราเอาเกลือมาสักหนึ่งช้อนใหญ่ๆ ห, หรือหนึ่งทับพีใหญ่เนี่ยนะละลายเข้าไปในแก้วน้ำในแก้วอะถามว่าดื่มในนั้นมีน้ำจืดไหม มีแต่ว่ามานสิกานไม่ได้เลยนะมานสิกานได้แต่รสเค็มอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะหรืออีกนายหนึ่งก็บอกว่าเหมือนเอาน้ําพึ่งเนี่ยใส่เข้าไปหกหยดแล้วเอาเหล็กทองแดงเนี่ยยัดเข้าไปอีกเม็ดหนึ่งเนี่ยนะถามว่าจะได้สายใจไหมรถน้ํำพึ่งอันนั้นไม่ได้สายใจนะสายใจแต่น้ําทองแดงหรือน้ําอะไรที่มันเดือดพล่านนั่นแหละมานสิกานแต่ตรงนั้นันคําว่าอเวจี v G เนี่ยเขาบอกว่าทุกหาระหว่างไม่ได้ของเราก็อาจจะผ่านมาหลายรอบแล้วนะคงจะลืมอ่ะ ก็แหละในมหานรกนั้นน่ะมีมุมสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีประตูสี่ช่องซึ่งจำแนกนับโดยส่วนมีกำแพงเหล็กห้อมล้อมรอบมีแผ่นเหล็กครอบเอาไว้ก็เหมือนกับแทงน้าดีๆนี่แหละแทงน้ำสี่เหลี่ยมสแตเลสนี่นะคล้ายๆนมหานรกนั้นมีภาคพื้นสำเร็จด้วยเหล็กมีเปลวไฟลุกรุ่งโรดประกอบด้วยไฟร้อนแผ่ไปร้อยยอดโดยรอบตั้งอยู่ตลอดกาลทั้งปวง บอกว่าไฟอเวจีเนี่ยตั้งอยู่ตลอดกับเนี่ยนะตลอดกับนี้ไม่มีว่าดับว่างเว้นอายระยะไม่มีแต่ถ้าจะเย็นบ้างก็ขณะที่ถ้ามหาโมคคลานะลงไปเนี่ยขณะนั้นด้วยบุญของท่านเนี่ยไฟก็จะดับชั่วระยะหนึ่งนะมหานรกนั้นเป็นที่น่าสยดสยองเผาผลาญสัตว์ให้มีทุกข์ร้ายแรงมีเปเลวไฟเนี่ยนะแสนยากที่จะเข้าไปใกล้เพราะว่าเปเลวไฟนเนี่ยนะก็บอกว่า ในรัศมีประมาณสักพันหกร้อยกิโลเมตรเป็นอย่างน้อยเนี่ยถ้าลืมตาดูแล้วตาบอดเนี่ยความร้อนแรงของไฟเนี่ยขนาดนั้นปันยากที่จะเข้าใกล้แบงนั้นหน้าขนลุกขนพองหน้ากลัวให้เกิดภัยให้เกิดทุกข์เนี่ยนะก็เหมือนกับในสูตรหนึ่งนะในอัตถกถาที่เล่าถึงว่าพระอรหันต์ท่านแวกเอาไฟอเวจีมาเท่ากับแสงห่งห้อยเนี่ยนะเผาของเขียวเขียวสดเนี่ยชั่วพริบตาเดียวเนี่ยนะ หมดเกลี้ยงเลยนะความร้อนแรงขนาดนั้นก็ก็มันก็เราก็เวลาปวดเวลาคันด้วยนะเนี่ยร้อนนิดหน่อยเนี่ยเราก็ยังแสบขนาดนี้นะยังเดือดร้อนขนาดนี้แล้วมันถ้ามันทั้งตัวแล้วทุกอนู ด, ด้วยอ่ะมันจะขนาดไห น, น, นแต่ก็มีอย่างคนในยุคนี้ที่ถูกเผาทั้งเป็นๆ เ, เนี่ยนะที่ที่มีให้ได้ยินก็ยังเยอะนะขนาดเป็นมนุษย์นี่ยังถูกเผาทั้งเป็นเลยถ้าหากว่าในอบายจะขนาดไหน หรือแม้กระทั่งพวกปลาทั้งหลายเนี่ยนะที่เขาต้มเปรดอะ่ะปลาไหลใช่ไหมต้มเปรดนี่ก็ต้มทั้งเป็นอยู่แล้วเขาก็มีห ล, หลายวิธีการที่ที่ว่าถูกเผาทั้งเป็นเนี่ยนะถูกเผาทั้งเป็นนี่ขนาดว่าแบบที่เห็นเห็นมันอย่าพลาดไปนะคุณบุญชูไปแล้วก็มาญาติเยี่ยมไม่ได้เน้นนะห้ามเยี่ยมห้ามประกันงั้นเนละแล้วก็พูดถึงบรรยากาศในใ น, ในแท่งสี่เหลี่ยมเนี่ยนะว่า กองไฟเนี like ่ยตั้งแต่ฝาด้านตะวันออกแผดเผาเหล่าสัตว์ที่มีบาปกรรมผ่านไปกระทบฝาด้านที่ตะวันตกขนาดสัตว์อยู่ในในห้องนั้นเนี่ยไม่มีระหว่างนะแอร์อัดยัดเยียดเหมือนกับธนานดีบุกเนี่ยไฟมันยังคุ่งไว้ได้พุ่งไปเนี่ยไปจดฝาอีกด้านหนึ่งได้ทีนี้กองไฟเนี่ยตั้งอยู่ด้านฝาที่ตะวันตกแผดเผาเหล่าสัตว์ที่มีบาปกรรมผ่านไปกระทบฝาด้านตะวันออก กองเปลวไฟตั้งขึ้นแต่ฝาด้านเหนือแล้วก็แผดเผาสัตว์ที่มีบาปกรรมผ่านไปกระทบฝาด้านใต้กองเปลวไฟที่ตั้งขึ้นด้านแต่ฝาด้านใต้แล้วก็แผดเผาเหล่าบาปสัตว์เอ่อเหล่าสัตว์ที่มีบาปกรรมผ่านไปกระทบฝาด้านเหนือกองเปลวไฟที่น่ากลัวตั้งแต่ภาคพื้นข้างล่างแผดเผาสัตว์ที่มีบาปกรรมผ่านไปกระทบฝาด้านบน กองเปลวไฟที่น่ากลัวตั้งแต่ฝาปิดด้านบนแล้วก็แผดเผาเหล่าสัตว์ที่มีบาปรกรรมผ่านไปกระทบภาคพื้นด้านล่างนะ